ทรงประชุมสงบั ญ, ญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุรู้อยู่ก็ยังอุปสมบทให้บุคคลอายุย่อนกว่า20ปีจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้ า, าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนัยโมฆะบุรุษเหล่านั้น รู้อยู่ก็ยังอุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุย่อนกว่า20ปีเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีอายุยนตนกว่า20ปียังไม่อดทนไม่อดกันก้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุง่งลมแดดสัตว์เลื้อยคานคํากล่าวร้ายคําที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจ